มาจากที <Sa> ja? ่ไหนกันวะมาจากที่ไหนยางเดี๋ยวอาบ้ากันกี่คนอ่ะเคยมารปล่าเพิ่งมาครั้งแรกเอะม้จากที่ดเลอาจารย์อาจารย์าอาจารย์เนี่ยอาจารย์ที่ไหนอาจารย์ที่ ู่นย์ทดสอบวัคซีนคณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยนี่โดนเลอืมชื่ออะไรอาจารย์พันธุ์ติดิดต่อได้ถ้าให้มาหาถ้าหาเพื่ออะไรคือว่าเดี๋ยวเดือนธันวาคมจะพนักงานที่ศูนย์สอบวันจะมีอบรมมากระจายแล้วก็ช่วงบ่ายจะว่างก็เลย มากไหมในทีนี้อาจารย์ตั้งใจว่าจะให้มาฝึกปฏิบัติกันนะคะแต่เป็นปฏิบัติเบื้องต้นนะคะมีจำนวนมากไหมคนประมาณส0สิคนได้คือที่นี้เราก็ไม่ได้สอนแบบแบบฝึกขักันเพียงแต่มา สแสดงธรราฟังเทศฟังธรรมไม่ได้มาให้มานั่งสมาธิโดยตรงก็การนั่งสมาธิถึงจะได้ผลถ้ามานั่งกันเป็นครัง้งเป็นคราวมันจะไม่ได้อะไรมากนะแต่เวลานั่งฟังเทศฟังธรรมก็นั่งฝั่งนั่งสมาธิไปในตัว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 ใจสามารถจดจ่ออยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกได้เดี๋ยวใจก็ลมเข้าสู่ความสงบได้อันนี้ต้องอาศัยการทำบ่อยๆทำมากๆการนั่งครั้งสองครัง้งครั้งละไม่กี่นาทีนี้ยังเป็นเหมือนนกกระจอะกินน้ำอยู่เป็นการทดลองมากกว่า เลยไม่ได้นิยมจาัด ก, การฝึกนั่งสมาธิร่วมกันเพราะกลัวจะไปฝึกนั่งคนเดียวจะดีกว่าเพราะการนั่งสมาธินี้ต้องการความสงบไม่ต้องการที่จะเกี่ยวข้องกับใครถ้านั่งหลายๆคนเดี๋ยวคนนั้นขยับคนนี้กรแอมกายก็จะรบกวนกัน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 สงบแล้วก็จะนั่งตอไปได้ยาวเพราะว่จิตสงบนี้จะมีความสุขจะไม่เดือดร้อนกับาการเจ็บการปวดของร่างกายจะไม่มีความอยากที่จะลุกไปทำอะไรมันก็จะนั่งได้นานมีความสุขได้นานนี่คือการปฏิบัตินั่งสมาธิทางสายปฏิบัติจริงไม่ได้จัด อบรมแบบว่าให้มาฝึกนั่งกันแต่จะจัดสอนวิธีนั่งกันนล่วก็ให้ไปนั่งกันตามลำพังอยู่ที่ไหนก็นั่งได้อยู่คนเดียวไม่จำเป็นจะต้องมานั่งกันกว่าจะมานั่งขับรถมาไปกับหลายชั่วโมงมานั่งกันแค่ครึ่งชั่วโมง มันกไ็ไม่ได้ประโยชน์มากนะควรจะนั่งที่เราเดามีเวลาว่างเมื่อไหร่นั่งมันเมื่อ น, นั้นเลยแทนที่จะไปนั่งดูทีวีนั่งกินขนมก็มานั่งสมาธิกันนั่งดูมือถือกันเ็ น, นี่ชอบนั่งสมาธิดูมือถือกันดูข่าวข่าวดูว่าคนนั่นจะส่งเรื่องนั้นเื่องนี้มาหลอนนั้นมีภาควิจารณ์ใครบ้าง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 ให้ดูแถวปลายจมูกลมมันจะเข้าออกตรงทางปลายจมูกนี่แหละมันจะสัมผัสตรงปลายจมูกลมเข้าก็จะสัมผัสตรงนั้นเวลาออกมันก็สัมผัสตรงนั้นแล้วก็เพ่งดูตรงนั้นอย่าไปนี่อย่าไปที่ไหนอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เพ่งดูอย่างเดียวถ้าเพ่งอยู่ได้อย่างต่อเนื่องไม่นานจิตก็เข้าสู่ความสงบได้ นี่คือหลักการของการฝึกนั่งสมาธิไม่ต้องมาเข้าห้องเรียนเหมือนกับเรียนหนังสือที่มาเข้าห้องเรียนนเพื่อมาเรียนวิธีปฏิบัติแต่เวลาปฏิบัตินี้ต้องเอาไปแยกกันไปปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี้ต้องการความสงบาจิต จ, จะสงบได้ต้องสถานที่บริเวณที่นั่งต้องสงบไม่เกี่ยวข้องกับใคร ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีการกระทำอะไรต่างๆเช่นพระท่านจะชอบไปปิดวิเวกในป่าที่เรียกว่าไปทุดงแล้วไปอยู่ในป่าแล้วก็จะไม่มีอะไรมารบกวนใจก็จะสามารถนั่งได้ยาวถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินต่อเดินก็เดินแบบใจไม่ลอย เดินแบบจดจอ่อเฝ้าดูจะอยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าก็ได้ดูเท้าซ้ายเท้าขวาไปเวลาก้าวเท้าซ้ายก้วาวซ้ายเวลาก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาหรือ ไ, ไม่ว่ากระดัให้รู้ว่ากําลังก้าวก้าวไปซ้ายเอ่ยขวาเอ่ยพอไปสุดทางเดินก็เลี้ยวกลับหันกลับแล้วก็เดินกลับมาใหม่ เดินไปเดินมาการเดินนี้มีเป้าหมายอยู่สองเป้าหมายหนึ่งเดินเพื่อเปลี่ยนอยรยยบทร่างกายถ้านั่งนานๆมันก็จะเมื่อยมันจะเจ็บการต้องลุกขึ้นมาเดินเพื่อให้ร่างกายมันหายเมื่อยหายเจ็บอันนี้เดินเพื่อร่างกายแล้วก็อีกเป้าหมายนึงก็เดินเพื่อควบคุมใจเดินเพื่อเจริญสติ ได้มีสต uh right. ิอยู่ของการเดินไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกับเวลานั่งเวลานั่งก็ดูลมหายใจเวลานานก็ดูเท้าเท้าที่ก้าวไปก้าวมาถ้าดูอย่างนี้ใจก็จะสงบไม่ฟุ้งซ่านแต่จะไม่สงบเท่ากับเวลานั่งเวลานั่งนี้ใจไม่ต้องควบคุมร่างกาย ทิ้งร่างกายปล่อยร่างกายได้แต่เวลาเดินนี่ยังต้องควบคุมร่างกายให้เดินให้ยืนให้เดินไปเดินมาก็ยังปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้จิตก็รวมไม่ได้จิตจะรวมได้ต้องนั่งเฉยแต่เนื่องจากนั่งไปเรื่อยเรือยมันก็เมื่อยนั่งต่อไปไม่ได้ก็ต้องลุกขึ้นมาเดิน ระบกันไปลุกขึ้นมาเดิ น, ดนจนเมื่อยก็กลับไปนั่งไหม่นั่งจนเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่ทำอย่างนี้ไปทั้งวันทั้งคืนนอกจากเวลาหลับเวลานอนถ้าจะปฏิบัติให้ได้ผลมันต้องปฏิบัติแบบ น, นี้แล้วนับหลองนะว่าจะต้องเห็นผลนะแต่ถ้ามานั่งกันอาทิตย์ละครึ่งชั่วโมงนัดวันกันล่าวันนี้ไปนั่ง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 ทุกครั้งมันก็ไม่ไมควรเพราะว่ามันเดี๋ยวเกิดไม่สามารถฟังธรรมได้ก็ไม่สามารถนั่งได้ต้องควรนั่งแบบดูลมหายใจเข้าออกไปแตสามารถนั่งได้ทุกเวลาทุกแห่งทุกคนการฟังธรรมก็ต้องมีคนแสดงถึงจะได้ฟังหรือถ้าฟังผ่านซีดีก็ต้องมีเครื่องเปิดฟัง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 เพื่อมาตัดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจที่เป็นต้นเหตุของการเวีนว่ายตายเกิดที่เป็นต้นเหตุพาให้เราต้องมาเกิดมามีร่างกายพอมีร่างกายแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับร่างกายต้องมาเรีงดูร่างกาย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 หาหาหาเงินหาทองมาถ้าเป็นท่าตายมาเลี้ยงร่างกายถ้าเป็นทาตายก็เพื่อให้มันแก่เจ็บตายเนียการเกิดเนี่ยมันมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ทุกข์แต่ก็หยุด ไ, ได้เพราะอยากยังมีความอยากอยากในลูกเสียงกิดนเน้อง ก็เลยต้องมีตาหูจมูกริงกายมีร่างกายเนี่ยคือโจทย์ของพวกเราปัญหาของพวกเราคือการมาเกิดนัยเหตุของการมาเกิดก็คือความอยากความอยากมีสามช่องมีสามแบบอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่กันใช่ไหมอยากเป็นหัวหน้ากัน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 ที่มันไม่สุขก็เพราะว่ามันพอมันอยากแล้วใจมันหงุดหงิดลำคายอยู่เฉยๆไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขเพราะความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เลยต้องไปหาไปเอาสิ่งที่อยากได้พอได้มาก็ดีใจไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอยากได้สิ่งใหม่ก็อยู่ไม่เป็นสุขก็ต้องไปหาอีก หาไม่ได้เท่าไหร่ก็ก็ดีใจเดี๋ยวเดียวสุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมานี่คือตัวปัญหาคือความอยากที่เรามาปฏิบัติทำกันมานั่งสมาธิกันมารักษาศีลกันมาพิจารณาทำต่างๆให้เห็นว่าเป็นทุกข์นี้ก็เพื่อที่เราจะได้หยุดความอยากกันนี่คือ ขณะนั่งสมาธิก็หยุดฝืนความอยากใจกอยากจะไปดูนั่นไปทำนื่นทำนี่ก็ไปไม่ได้ทำจมรับให้มันนั่งเฉยๆให้มันดูลมหายใจไปเมื่อให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเพื่อไม่ให้ไปคิดเพื่อให้หยุดความคิดถ้าหยุดความคิดหยุดความดยากได้ใจก็จะสุบชั่วคราวเพราะความอยากมันไม่ได้ตายไปกับการ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 เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็กลายเป็นความทุกข์แล้วเวลายอยากเราไม่ได้ก็ทุกข์แล้วได้สิ่งที่อยากได้มาแล้ว เ, เสียไปก็ทุกข์อีกได้แฟนมาเดี๋ยวแฟนจากไปก็ทุกข์อีกนะได้มาก็ดีใจได้เงินมาพอเงินหมดก็ทุกข์อีกได้อะไรมาพอมันหมดก็ต้องทุกข์แล้วทุกอย่างที่ได้มามันต้องหมด เพาะมันไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวนี่คือปัญญาถ้าเห็นว่าการไปหาสิ่งต่างๆการความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์เราก็ไม่ไปดีกว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่เฉยๆนั่งสมาธิทําใจให้สงบดีกว่าเพอใจสงบแล้วมีความสุขไม่ต้องมีอะไรมันก็จะทําให้เราเลิกความอยากได้ เมื่ไม่มีความอยากแล้วใจก็จะเยน็นจะสบายอยู่เป็นสุขเพราะไม่มีตัวมาคอยกระตุ้นตัวที่คอยกระตุ้นคอยชุดกระชาก拉ใจให้ไปะไปนู่นมาหนี่ก็เพื่อก็คือความอยากต่างๆนี่พอไม่มีความอยากก็ไม่มีอะไรมากระตุ้นมาทำให้ใจกระเพิ่มใจก็นิ่งสบายความนิ่งของใจนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงไม่ต้องมีอะไร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 ไปล้งร่างกายแก่บปอยากให้ม <that t> ันไม่แก่จะทํำให้เราทุกข์ทำให้เราต้องไปหาวิธีแต่ไม่มันไม่แก่เช่นผมหงอก็ไปย้อมมันหนังเขียวก็ไปดึงให้มันตึงทํายังไงเดี๋ยวมันก็หลอกยัดย้อมยังไงเดี๋ยวมันก็งอดึงยังไงเดี๋ยวมันก็เหี่ยวดังไปฝืนความจริงไม่ได้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 เอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทําบุญแทนจะไดไ้ไม่มีเงินไปเที่ยวเวลาไม่มีเงินไปเที่ยวก็อยู่ก็อยู่บ้านได้ใช่ไหมแต่พอมีเงินปั้มมันอยู่ไม่ได้นะ ม, มันต้องออกไปเที่ยวกันอย่างอย่าไปมีเงินเงินนี่มันเป็นโทษมันเป็นไปเป็นตัวไปไปไปรับใช้ความอยากซึ่งใช้เท่าไหร่ก็ไม่พอ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 มันจะโผล่ขึ้นมาได้เรื่อยวิธีที่จะตัดความอยากก็คืออยากไปทําตามความอยากอยากจะซื้อกระเป๋าใหม่ๆก็มีอยู่แล้วก็ไม่ซื้อมันต่อไปมันก็ไม่ซื้อมันก็ไม่อยากซื้อใบใหม่มีใบเดียวก็พอแล้วถ้าใบนี้มันหายไปเลือดขาดไปใช้ไม่ได้ก็ค่อยซื้อมาทดแทนแล้วอันนี้ไม่ได้ซื้อด้วยความอยากซื้อด้วยเหตุผลซื้อด้วยความจาเป็น ถ้ามีเงินเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อพอเอาเงินไปทําบุญหมดไม่มีเงินไปเที่ยวก็มันก็เลิกคิดไปเที่ยวอยู่บ้านอยู่บ้านปลอดภัยกว่าไปเที่ยวคนที่ไปเที่ยวแล้วตายกันก็มีเยอะแยะไปรถควางตายไปชนรถชนกันตายความตายอยู่บ้านสบายสบายปลอดภัยกับไม่อยากจะอยู่กันเพราะความอยากมันทําให้อยู่ไม่ได้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 ตัดความอยากใช้เงินทองไปในทางที่ไม่ถูกการไปเที่ยวนี้เปรียบเหมือนกับการเอาเงินไปซื้อยาเสพติดยาเสกติดนี้ซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเสกแต่เงินเอามาทําบุญนี่เหมือนกับเงินเอาเงินไปซื้ออาหารพอซื้ออาหารให้ให้ใจบุญนี้เป็นอาหารพอใจได้บุญใจก็อิ่มขึ้นมาใจก็สุขขึ้นมา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 ไม่สนใจกับเรื่องของร่างกายสนใจอยู่กับเรื่องของการเสพยานั่นก็เดี๋ย ว, ยวก็ทําให้ร่างกายเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ตายไปดงนั้นขอให้เราจำไว้ว่าการใช้เงินตามความอยากนี่เป็นเหมือนซื้อยาเสพติดเช่อยากไปเที่ยวอยากจะซื้อกระเป๋าใบใหม่รองเท้าคู่ใหม่เสื้อผ้าชุดใหม่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 บ้านเราก็จะได้ไม่ยกลุงหลังด้วยข้าวขอ ง, องต่างๆข้าวของเต็มไม่หมดเจ้าแทบจะหาที่เก็บไม่ได้ซื้อมาแล้วก็วางไว้เฉยๆ เ, เก็บไว้ในตู้ไม่ได้เอามาทําอะไรแต่เวลาเห็นแล้วอยากได้พออยากแล้วมือไม้คันเลยหมดถ้าจะหาคันกต็ต้องจ่ายเงินไปเพอเงินหมดก็หายคันพอได้ของมาแล้วก็หายคัน เดี๋ยวพอมีเงินใหม่ก็คันขึ้นใหม่ก็ยแต่ถ้าเอาไปทำบุญแล้วไม่คันเอาไปแล้วจะเย็นจะสบายจะมีความสุขมีความอิ่มแล้วยังได้ประโยชน์จากเงินที่ไปทำบุญ เ, เหมือนกับเอาไปฝากในธนาคารเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาก็เบิกได้มีเงินฝากไว้ในธนาคารบุญมีดอกเบี้ย ด, ด้วยทาบุญชาตินี้กลับมา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 พ่อโมแต่เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นกันไม่ไม่มีบุญติดตัวไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมจะทำให้เราได้สิ่งที่ดีทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และในขณะที่เราตายไปแล้วถ้าเราปฏิบัติบุญขั้นสูงสุดคือธรรม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 แต่คนที่ชอบทําบุญจะไม่ชอบอไม่ชอบทําบาปเพราะไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องการที่จะมีเงินทองไปเที่ยวหาเงินทองเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําบาปคนที่ทําบาสมักจะได้อยากจะได้เงินทองเยอะๆเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวไปซื้อของแพงๆซืมีกระเป๋าแพงๆใช้ซื้อเสื้อผ้าแพงๆซื้อรถยนต์แพงๆ ของมันแพงเงินต้องใช้เงินเยอะหาเงินอยากจะให้มันได้เร็วได้ง่ายได้มากก็ต้องโกงต้องหลอกลวงกันนมันก็เลยทำให้ไปตายไปต้องไปนรกกันไปเป็นเปรตกันไปเป็นเดรัจฉานกันเพราะความอยากได้เงินง่า ย, ายๆเร็วๆมากๆนี่ทำให้ทำบาป เพราะว่าใจหิวกับความอยากต่างๆแต่ถ้าเอาเงินมาทำบุญใจก็จะไม่หิวใจก็ไม่ต้องไปทำบาปเพื่อที่จะไปหาเงินมาใช้ตามความอยากการทำบุญจะมีประโยชน์หลายอย่างทํานทำให้เรารักษาศีห้าได้ง่ายขึ้นกว่าคนที่ไม่ทำบุญคนที่ไม่ทำบุญคนที่เอาเงินไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปเดือดนิ่ง จะอยากะอยากได้เงินเร็วๆอนะ่ากได้เงนินมากๆเพื่อจะได้มาเที่ยวต่อมากินต่อมาเล่นต่อก็จะต้องไปทาบาปกันแล้วก็บุญก็ไม่ทำตายตายก็เลยต้องไปเป็นเปรตหรอถ้าทำบาปหนักก็ไปนรกนีการทาบุญงจะเป็ น, เ ป, นเป็นเหตุที่จะทำให้เรารักษาศีลกันได้เราก็จะทำให้เราตายไปก็ไปสวรรค์กัน แล้วถ้ามานั่งสมาธิได้ตายไปก็ไปไปไปนิพพานกันนะนั่งสมาธิเจริญปัญญาได้ตัดความอยากต่างๆได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมีประโยชน่ทั้งนั้นการปฏิบัติตามคำสอนของท้าเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดอยู่ในระดับทำบุญรักษาศีลก็ได้ไปสวรรค์อยู่ในระดับปฏิบัติธรรมก็ได้ไปนิพพาน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 เวลาไม่สบายนี้ไปโรงพยาบาลหมอก็ไม่ได้เขาไม่ปล่อยให้กลับไปทํางานเพราะว่าก็ต้องรักษาให้หายก่อนถึงปล่อยให้กลับบ้านไปทํางานได้ไดังนั้ถ้าเราต้องการรักษาใจที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเราก็ต้องรักษาอย่างต่อเ น, นื่องปฏิบัตินี้ก็เป็นเหมือนการรักษารักษาไปเรื่อยๆจนกว่าความทุกข์ หายไปหมดความอยากหายไปหมดเนี่ยใจสบายมีความสุขอันนั้นนะถึงจะเลิกปฏิบัติได้ไม่ใช่ปฏิบัติกันแค่ เ, เดือนละครั้งสองครั้งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งอันนี้มันไม่ได้เรื่องอต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอทำบุญก็ทำอย่างต่อเนื่องมีเงินเมื่อไหร่จะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกก็เอาไปทาบุญแทน รักษาศีลก็ต้องรักษาอย่างต่อเ น, นื่องไม่ใช่รักษาแต่เฉพาะวันพระวันอื่นก็ไม่รักษาไม่งั้นโรกมันไม่หายใจจะไม่หายทุกความอยากมันจะไม่หมดไปยิ่งเมื่อเราศึกษาแล้วรู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรเราก็เอาไปปฏิบัติกันถ้ามีเงินก็ทําบุญศีลก็รักษาศีลห้าไปก่อนถ้ามีกําลังก็รักษาศีลแป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 เราทําอะไรได้ก็ทําไปก่อมีเงินก็ทําได้แล้วเนี่ยพอมีเงินก็เอาไปทําบุญเลยถ้าจะเอาไปเที่ยวก็เอาไปทําบุญถ้าจะเก็บไว้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็เก็บไว้ได้แต่จะเก็บไว้นเกนกำลังเงเพื่อวันข้างหน้าไม่มีรายได้ต้องอาศัย เ, เงินสํารองก็เก็บไว้ได้แต่ยาเอาไปใช้ตามความอยากเก็บไว้เพื่อใช้กับความความจําเป็น พ อ, อจะไปเที่ยวก็เอาไปทำบุญไปซื้อกระเป๋าใบใหม่ก็เอาไปทำบุญจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็เอาไปทำบุญนะถ้าของที่เรามีมันพออยู่แล้วไม่จาเป็นจะต้องซื้อมาเพิ่มก็อย่าซื้อมาดีกว่าเอาเงินมาเอาเงินไปทาบุญไปซื้ออาหารให้กับใจดีกว่าไปซื้อยาเสพติดให้กับใจ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรใครต้องการนหนังสือซีดีก็ดยิบไปได้นะเอาไปอ่านจะได้รู้ว่าวิธีปฏิบัติทำอย่างไรบ้างต้องปฏิบัติเองนะไม่มีใครจะมานำพามาได้สอนได้บอกไายวิธี แต่เราต้องเป็นตัวที่ต้องบังคับตัวเราให้ปฏิบัติกันถ้ารา้อยคนหนึ่นเขาบังคับเวลาไม่มีเข้าบังคับเราก็จะปฏิบัติไม่ได้อมาเมื่ อ, อไหร่พึ่งมาถึงค่ะ <Yeah. S 2> มาถึงก็เลยว่ามีเวลาก็เลยมามพี่ก็จะตั้งใจว่ า, ม, วามาปฏิบัแล้วก็อืม ที่ออายวันตายวันที่สองคือวันตายได่เลือก็เพราะใจมีสิทธิ์งแรงเนี่ยันเกิดก็ต้องมีวันตายนถ้าไม่เกิดก็ไม่ตายถ้ามีเกิดก็ต้องมีตายพอดีมาสระถินวังน้ำเขียวด้วยนะอก็เลยว่ามีเวลาเมื่อมันให้ไม่กี่วันก็เอาเลยมาเลยเอาเลยดีทำเลยทำบุญด้านไมื่อไรทำไปเลยว่าอาจารย์นะ ช่วงเข้าพรรษาด้ยนะหนูก็ไปอยู่บ้านตารรักษาสิแปดนี่แหละไม่ใช่นี้ไม่ยอะถ่ายไม่เป็นไรถ่าไม่เป็นไรปปัญหาที่พาจ่ายมากเลฟซเฟซเห็นเนาะไม่ก็อดไม่ไดเวลาปฏิบัติต้องปิดหุ่ตาห้ามดูทีวีดูนู้ดซุบพิพ์ห้ามอะไรหมดไปอยู่ว่าตะได้ ได้หมะกเตัวเดียวนี้แหละกับไลน์นี่แหะถ้าดูธรรมะไม่เป็นไรถ้าดูธรรมะได้อยู่แต่ถ้าถ้าาดูเรื่องอื่นเนี่ยไปดูก็ถึงบ่ายสองปั๊บเปิดเปิดไปงงพระใจนี่จนกระทั่งเหน็ดมันหมดเนี่ทีนี้มันค้งมันก็อุ่นอดไม่ได้ก็เจืเสือเยอะตรนี้อันเดียวตัพระใจนี่็ใจมันชอบออกไงมันไม่ชอบเ้าเลยต้องมันถึงไม่สงบกันไง เราถึงต้องดึงมันเข้าข้างใน่เดึงได้ก็ต้องตัดข้างนอกออกไปอย่าไปยุ่งก็เลยขอพระอาจารย์สมว่าถ้าถ้ามีโอกาสก็ของชำมันก็จะเข้าไปอยู่ในวัดหางที่ผ่านมาไม่เคยได้เข้าไปเพราะว่าคนมันเยอะช่าแต่ตนะเดีนี้คนร้อนเดีวนี้คนร้อยก็สบา ย, ย, ยไม่ต้องไปเบียดเบียนใครก็เลยขอพระอาจารย์สมว่าถ้ามีเวลาก็ขอไปอยู่ของําวันแล้วก็กลับบ้านอนะ่ะแต่ที่เข้าไปศาลนี่ก็อยู่ แบบท่องมาซาแหละมามาพรอาจารย์สองสามวันแล้วก็กลับไปเ่เน่ไปเถอะก็ยังฝึกเอาเนาะใช่ของนี้มันต้องหัดมันไม่กัดเรียนหนังสือเนี่ยมันต้องไปเรียนไปหัดทำเนี่ยหัดทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชํานาญเองง่ายหลวงตานี่ยก็ไม่เคยเข้าวัดมาก่อนพอท่านบวชท่านก็หัดไปหัดไปเดี๋ยวท่านก็เก่งแต่ตอนนี้พอดีพ่อบ้านพ่อบ้านก็อยู่บ้านอย่างเง ชาวก็เอาอาหารไปให้เราใส่แบบก็วันนี้เขาได้เขาอัดเพื่อผพระอาจารย์ก็เขาก็ฟังพระอาจารย์ครัเข่อบ้านได้ดีโยเฉาเดียวก็ไปนี่แล้วก็ฟังอ่าีมันก็ความเสึ่ทราบเข้าไปแต่เราเลี้ยงดูน้อยพระอาจารย์นี่ตานี่เอาเลยเต่งที่เลยมันสองคนนี่เมื่อที่บ่านมา หลังคนต่างดูแลกันนี้น ะ, ะเข้าภาษางี้กันเลยหลังคนตาง <c oughs> ช่วยตัวเองต่อไปล้ิ่มัาช่วยตัวเองแลตอนไปที่เพนนื่อนของตน จะมน้องสาวเขาอยากมาก็เลยเอาไหนไหนมากระสินเรืยกับหอมาเรืยเลยเออเดยวทำไปถ้าไปทําบุญไปเลยถ้าไปเที่ยวอยากไปสมมสมมากไม่ค่อยไปเที่ยวเลยค่ะมีแต่มาอย่างเงี้ยอ่ได้ก็มามากราพระอาจารย์เนี่ยเขายังถามเลยว่าถึงทะเลไหมเราบอกทะเลไม่ค่อยได้ไปอ่ะคือไม่อยากไปนะคือเมื่อก่อนโอเคเมื่อก่อนเราไม่รู้จักเราก็ไปเนาะแต่ตั้งแต่มาหลายครั้งอ่ามันไม่มีความหมายหร อะไรมังก็ทะเลใช่ทะเลเช้าว่างใส่บาตรกลับไปบายมาเสร็จบังเทีเสร็จใส่บาตรเสร็จก็เกาะรอเลยก็ยังมีภาลานะคระอาจารย์ก็ทำไปมีเวลาว่างก็มาปฏิบัติใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะถ้าที่พูดไปแล้วยังไม่เข้าใจตรงไหน นั่งนั่งไปแล้วจิตมันก็สงบไปแล้วนานพอสั่นทัวร์มาแต่บางทีมันก็เหมือนตัวมันจะลอยลอยทำให้เรากับจอู้ไวหรอไม่ถ้าเราไม่ต้องทัวร์ละมันเป็นความรู้สึกหรอกเราก็คุดโพไปได้ไม่มีอะไรหรอกไม่ว่าอะไรจะเกิดลอยได้ก็ดีแล้วไม่ต้องขึ้นเครื่องบางทีก็ลอยจริงๆก็มีนะหลวงปู่สาวนี่ท่านนั่งแล้วตัวตองท่านลอยขึ้นมา เป็นไรน่อยถ้าเรามีสติก็ไม่มีปัญหาเลยนะก็คอยประครับประครองไว้หมดชอ บ, อ ช, อบชอบไปวัดเล็กๆทําไม่มีแม่ใช่ไหมคะเตรียนมากมายอย่างนี้ยอือก็ตแต่งงานเขาอยู่เมืงเทพชอบไปวัดเนีะฮะก็เลยบอกเงี้ยกล็ไปอยู่ดอนแลน้วกันอไปวัดก็นนแต่เขาจะชอบวัดแบบนี้ใช่รัก<ล><ล>ป่าพอสงบอแล้วเป็นที่มีสร้างเลยเขาก็ไม่เอาไม่เอามันวุ่นวายจิตไม่มีความสงบ ถูกแล้วการปฏิบัติต้องไปอยู่ที่เงียบๆต้องยพยายามทำบ่อยๆทำมากๆทนานําไม่ชํานาญเพราะมันจะช่วยเราเวลาเราไม่สบายใจแล้วก็ไปนั่งสมาธิเดี๋ยวเดียวก็หายไม่ต้องไปชอปปิ้งไม่เสียเงินเสียทองไม่ต้องไปเที่ยวไม่เสียเงินเสียทองนั่งสมาธิเดี๋ยวเดียวใจสงบก็หายทุกข์แล้วนะ ยั้หวงสองห่วงยี่ลูกลูกชายสาวอันนั้นต้องใช้ปัญญาตัดพิจารณาว่ามันเป็นเพียงดินน้ําลมไฟมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปนางกายนี้มันมาจากดินน้าลมไฟเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเวลามันก็กลับไปสู่ดินน้ําลมไฟใช่ไมเวลาคนตายไปหายไปไหนดินก็ไปทางน้ําก็ไปทางลมันก็ไปทางไฟก็ไปทาง ไม่มีอะไรในร่างกายไม่มีคนไม่มีสัตว์ลูกไม่ได้อยู่ในร่างกายลูกอยู่ในใจที่ไม่ตายใจก็ไปหาหาร่างกายอันใหม่ไปหาพ่อแม่คนใหม่ก็ไปอย่างนี้นนกันแ้เราก็เมื่อก่อนก็มีพ่อแม่คนเก่าพอร่างกายเก่าตายไปเราก็ม า, าได้พ่อแม่คนใหม่ได้พี่น้องใหม่แล้ว เ, เดี๋ยวก็ต้องแยกทางกันไปอีกเพราะมันนี่เป็นธรรมชาติของร่างกาย มันเป็นการรวมตัวของดินน้ำรวมไฟเวลามาเกิดมันรวมตัวกันเวลาตายมันแยกตัวออกจากกันอะถ้าอยากจะตัดความข่วงใหญ่ก็ดูให้มันเห็นว่าเป็นเพียงดินน้ำรวมไฟมต้องไปทุบกับเขาใช่ไหมคะแต่เขาทุบแล้วว่าไปห้ามเขาไม่ให้แก่เจ็บตายได้หรือเปล่าทุบเขาก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมอออสอนเขาก็พอละ สองเขาวิธีให้เขาเลี้ยงดูตัวเขาเองได้ไม่ให้เขาเดือดร้อนพอเขารู้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องเลี้ยงดูตัวเขาเองเพราะเราไม่สามารถอยู่เลี้ยงดูเขาไปได้ตลอดทักวันเราก็ต้องจากเขาไปแล้วสักวันเขาก็ต้องจากไปจากตัวของเขาไปเองเหมือนกันเลี้ยงดูยังไงร่างกายเดยวมันก็แก่เจ็บตายเหมือนเดิมจะพอให้มันอยู่ได้ก็พอ อยู่เพื่อเอามาทําบุญเอามาปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหะพอบรรลุแล้วก็ไม่ต้องใช้หน้าฬิก า, นะาแล้วอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดเป็นมารดาแล้วคะถ้าเกิดมารดาไม่ยอมให้เราเบื่อเลยครัใครจะมาห้ามเราได้เนะวลาเราไปเที่ยวแม่มาห้ามแม่ให้ไปเที่ยวไปหรเปล่าฮะเวลาจะไปมีแฟนห้ามแม่ห้ามไม่ใหม้มีแฟนไปหรเปล่าแล้วพอไปบวช ไปบวชไปปฏิบัติธรรมทำไมัจะให้เขามาห้ามเราทำไมไปปฏิบัติธรรมได้แต่บวชตลอดอย่า ง, างนี้เร่ามเล้ก็ไม่ต้องขอเขาเนี่ย <c oughs> ตัวของเราไม่ต้องไปขอเลยถ้าเราไม่ได้ไปบวชพระเราไม่ต้องไปขออนุญาตจากพ่อแม่แถ้าแม่ยังพ <c oughs> ึ่งเราอยู่แหละค่ะก็ <c oughs> ต้องเลี้ยงดูท่านต่อไปเลี้ยงดูแบบไปบวชก็ได้ส่งเงินมาให้ก็ได้นี่ยเลี้ยบวชที่บ้านก็ได้ปฏิบัติที่บ้านก็ได้ไม่ได้เลี้ยงทั้งวันทั้งคืนไม่้ เวลาว่างก็มีแล้วก็ไปปฏิบัติเวลาทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไปได้ปฏิบัติกับทำหน้าที่ควบคู่ไปกันได้แต่มันสู้ปฏิบัติอย่างเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีภาระอะไรอื่นมันก็จะทำให้ไปถึงไวกว่าถ้ามีภาระอื่นมันก็ทำให้ไปล่าช้ากว่าแค่นั้นเองแต่มันก็ไปถึงจนได้ตามไดมีการปฏิบัติตามนั้นก็ต้องมีผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามมา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 พ่อแม่เห็นชอบก็บวชได้เดี๋ยวพ่อแม่จะมาฟ้องร้องศาสนาว่ามันหลอกล้างสมองลูกเขาให้ทิ้งพ่อทิ้งแม่อะไรว่าไปจะไม่หลอกศาสนาสอนให้รักพ่อรักแม่ให้เคารพพ่อเคารพแม่แม้แต่มาบวชนี่ยังเอาข้าวที่บินตบานนี่ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ครูท่าจจ ะ, จะ อ, อนุญาตติดกรณี้พิเศษถ้าไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่เอาไปได้เลย แต่ถ้าไปเลี้ยงคนอื่นนี่ต้องอมาแบ่งพระก่อนต้องเลี้ยงพระก่อนถ้าพระมีพอแล้วเขาจะาไปเลี้ยงคนอื่นต่อก็ได้เพราะพระต้องดูแลกันช่วยกันเอากลัวกิเลสของเรามันจะอ้างมากกว่าอ้างว่าพ่อแม่ไม่ให้ไปมันจะเลยมันก็เลยไม่ดีไม่ต้อไปเราเป็นห่วงอยู่เจ้าค่ะนั่นแนหะกิเลสมันชอบห่วงเรื่องที่ไม่น่าห่วงไอ้เวลาไปเที่ยวเมนห่วงใครเลย พวงแต่เงินพอใช้รึเปล่ากิเลสมันชาบดึงเราไว้มันไม่ยอมปล่อยเราไปง่ายๆหรอกถ้าไปง่ายๆก็ไปเป็นบรรลุกันหมดแล้วในโลกเนี้ยไม่มีอะไรจะวิเศษเท่ากับการบรรลุธรรมแต่ไปกันไม่ได้เพราะถูกกิเลสบรรเหลกดึงไว้ทั้งนั้นด้วยเหตุผลต่างๆพ่อมั่งแม่มั่งลูกบ้างสามีมั่งภรรยาบ้าง ความสุขความสบายบ้างเคยติดสุขกับการอยู่บ้านก็ไม่อยากจะไปอยู่วัดอยู่วัดแล้วมันลำบากอะไรก็ไม่พร้อมไม่สะดวกอะไรจะดูก็ไม่มีอะไรจะฟังก็ไม่มีจะกินก็กินได้เฉพาะก่อนเที่ยงเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุไม่ให้อยากไปวัดกันไม่อยากไปปฏิบัติกันกิเลสมันไม่ยอมให้เราไปง่ายๆหรอกที่ไม่ได้ไปกันไม่ได้ใครหรอกกิเลสเท่นั้นแหละ แต่มันก็ฉลาดมันไม่มันไม่มันไม่โผล่ออกมามันอ้างคนอื่นอ้างพ่ออ้างอะไรต่างๆร้อยแปดพันประการคนที่เขาไปได้แเ่งก็มีปัญหาเลยแต่เขไปบ้างค่ะยมยมแม่บอกว่าให้ไปสามเดือนอยาเข้าวันสาอะไรเงีย้ยอสามเดือนอเดื อ, อนอ่งเงี้ยให้ไปแต่ให้ไปตลอดอย่างเงี้ยมันยังไม่ให้ก็ให้เวลาก็ไปถ้าที่ก็ให้ก่อนอเดี๋ยวเขาตายไปแล้วก็ไปได้ตลอดเ ต้อ <Jub> งรอเหมือนต้องมีวันตายสักวันนะมีใครไม่ตายก็างไหอโกรตายไปแล้วเปลี่ยนใจไม่อยากไปซะแลเลยกี่เลยียญน้ำหล่ออีกนะบอกแต่ยังสาวอยู่อย่าพึกงไปเลยหาความสุขทางโลกก่อนดีกว่าไม่รอแกแล้ว <stunned> ค่อยไป อวิริเ์มันมีเหตุผลน้อยแตะปันประการนะระวังนะมันจะแอบอ้างหลอกเราอยู่เรื่อยมีใครอยากจะถามไมไม่ไม่ถามจะให้ทางบ้านก็ถามบ้างมีเข้ามาเท่าไหร่วันนี้สองแดสิบกว่าเน่เมวานนี้หยุดไปวันหนึ่งตอนนี้ไม่สะดวกก็จะปิดทางเข้าออก ว่ามีผู้ใหญ่จะมาชมสถานที่มาทำทาอะไรถ้าปล่อยขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกลจะลงไปไม่ได้ก็ได้ข่าวว่าเข้ามาสายมาตั้งสี่โมงแล้วกว่าจะกลับเกืนบหกโมงเดี๋ยวพวกที่ขึ้นมาฟังเทศเสร็จจะกลับก็ลงไปไม่ได้เขาไม่เาห้ามเข้าออกกันก็เลยคิดว่าอย่ามาดีกว่า น่ตั้งแต่แสดงทำมาเนี่ยมีวันหยุดวันเดียวเนี่ย <c oughs> มีวันไหนที่เราหยุดบ้างไม่ไ ม, มีนะ <c oughs> มีเมื่อวานนี่วันเดียวที่ได้หยุด <c oughs> อ่ม า, ามาทำบ้านใครจะถามก่อนค <c oughs> ำถามจากคุณ น, นางฟ้า นั่งสมาธิเดินจงกรมและพิจารณากายตลอดวันมีอาการคือนอนไม่หลับเหมือนจิตตื่นตลอดเวลาแต่ไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไม่ยอมนอนจนถึงเช้าพยายามพุดโธจะได้หลับแต่ก็ไม่เป็นผลอยากทราบว่าเกิดจากอะไรคะก็เกิดจากการคิดพิจารณานี้มากเกินไปถึงบอกว่าการจะพิจารณานี้ควรจะทําสมาธิให้ได้ก่อนเพราะสมาธินี่จะเป็นเหมือนยานอนหลับ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 แต่ถ้าไม่มีสติถ้าปล่อยให้คิดแล้วมันจะเหมือนปล่อยให้รถวิ่งลงเขารถลงเขาถ้าไม่มีเบรคมันไม่มีวันหยุดนั้นการที่จะปล่อยความคิดให้ไปคิดทางปัญญานี้ต้องรู้จักหยุดมันให้ได้ก่อนถ้าหยุดไม่ได้มันก็จะเป็นนี้ขนาดหลวงตามีสมาธิมันยังไม่หยุดเลยท่านเล่าให้ฟังว่าบางทีนอนไม่หลับสามวันสามคืนพอทางออกทางปัญญาแล้ว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 ถูกต้องถ้าฟังธรรมเราต้องฟังอย่าไปพุโทโธแข่งกันนีมันไม่ใช่เวลาถ้าเราจะใช้พุโทโธแล้ดูลมนี่เราต้องอย่าไปฟังธรรมการฟังธรรมนี้นอกจากจิตสงบแล้วยังได้ปัญญาได้ความรู้ด้วยอย่างที่เรามาฟังธรรมวันนี้เราก็ได้ความรู้แล้วใจเราก็สงบดะงนั้นเวลาฟังธรรมอย่าไปพุโทโธอย่าไปดูลมหายใจเข้าออก ให้ตั้งใจฟังไปเรื่อยๆแล้วความรู้ความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นมาแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นมาคำถามจากคุณจุธมนการที่ชาตินี้เกิดมาเป็นสัตว์เช่นหมาแมวเพราะชาติก่อนเคยผิดสิ่งข้อหนึ่งหรือเปล่าคะแล้วคนที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่ชอบแกล้งสัตว์ทรมานสัตว์กะได้รับผลกรรมอย่างไรคะ การทำบาปเนี่ยต้องไม่ใช่เฉพาะข้อหนึ่งต้องทั้งทั้งสข้อเนี่ยทั้ง4ีหข้อเนี่ยข้อที่ห้านี้นอาจจะไม่ไม่ได้ไปทำไม่ไม่ถือว่าเป็นบาปการดื่มสุรานี่มันเป็นอบายมุกมันทําให้ไปไม่มีสติแล้วห้ามห้ามใจไม่ให้ไปทําบาปไม่ได้ถ้าไปทาําบาปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดปรเวณีโกหกหลอกลวงข้อใดข้อหนึ่งมันก็จะปาให้ไป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 เครื่องแบบของโรงเรียนนั้นมาอยู่วันดใดก็ใช้ผ้าสีใดก็ใช้ตางเข้าไปเพื่อจะได้เป็นความามีระเบียบเรียบร้อยท่านั้นเองการจีงผ้าก็เป็นผ้านุ่งห่มเหมือนกันแต่ว่าแต่ละวัดเขาก็มีธรรมเนียมการย้อมสีย้อมผ้ามาไม่เหมือนกันแล้วแต่ครูบาอาจารย์ผู้นำผู้ก่อตั้งวัดจะใช้สีไหนลูกศิษย์ก็ใช้ตางมันมา ทนั่นเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรวิเศษกับการเรือด้อยกว่ากันจะใช้สีผ้าในเมืองก็ได้ผ้าในวัดป่าก็ได้แต่เมื่ออยู่วัดไหนก็ควรจะใช้ให้มันถูกกับวัดเขาเดี๋ยวจะไปเป็นแปะแกะดำโดยใช้เหตุไปอยู่วัดบ้านแล้วก็เอาเอ า, เอ า, เอาผ้าจีวรวัดป่าไปใส่เดี๋ยวก็โดนเขาคอมเมนต์ไปอยู่วัดป่าเอาผ้าวัดบ้านไปใส่ก็แบบเดียวกัน นั้นอยู่โรงเรียนไหนก็ให้ใช้เครื่องแบบของโรงเรียนนั้นนะอยู่วันไหนก็ให้ใช้ผ้าของวัดนั้นเข้าไปน้องนี่ถ่ายทอดสดนะไปทั่วโลกเลยในยาติยมอยู่ต่างประเทศเช่นคุณใบเงินไอ้คุณอัมพา น, านันใบเงินเนี่อยู่สวิตเซอร์แลนด์ติดตามทุกวันวันนี้ไม่ทราบส่งข้อขะข้อความเข้ามาแล้ว ย, ยัง เมื่อกี้คุณนั่นก็เป็นชาวต่างประเทศไม่รู้จักรู้สึกยามาจากประเทศอินเดียมืวนนี้สีลังกาสีลังกาทำไมนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโดยที่เสียค่าใช้จ่ายเพียงนิดเดียวซืออออ้อโทษษรศัพท์มือถือเครื่องหนึง่งแลวค่าอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วสะดวกแล้วคนรับก็ง่ายมีมือถือก็รับได้ ใม่เหมือนเมื่อก่อนถ่ายทอดสดทั่วโลกนี้ต้องมีกล้องมีจานดาวเทียมมีต้องไปเช่าต้องไปอะไรกันคำ ถ, ถามจากคุณสุริวันขนาสวดมนทุกครั้งจะเกิดอาการอยู่สองอย่างคือง่วงนอนและคิดไปเรื่องอื่นการคิดไปเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาที่ตัวหนังสือบทสวดมนกำหนดจิตกลางอก แตง่วงนอนขณะสวดมนต์จะแก้ไขอย่างไรดีคะก็นอนเลยถ้าไม่อยากนอนก็ลุกขึ้นมายืนสวดลุกขึ้นมายืนสวดคำถามจากคุณเปิ้ลเวลาที่ลูกสั่งวัดทายายายมนสวดแปรที่บ้าน จิตนึกน้อมแล้วร้องไห้ออกมาเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเพราะปิตมิมันถูกใจมันซึ้งใจทราบซึ้งใจอะไรทุก้องไห้แบบนี้ไม่ถือว่าเป็นความทุกข์การร้องไห้นี้มีร้องไห้ได้หลายแบบร้องแบบทุกข์ก็ได้ร้องแบบดีใจก็ได้บางคนดีใจแล้วัน้ำตาไหลก็มีบางคนทราบซึ้งใจก็น้ำตาไหลได้ บางที่ไปเจอควันไฟก็น้ำตาไหลได้เ <c> ฉ <oughs> ันการน้ำตาไหลนี่มันมีหลายสาเหตุด้วยกันเห็นหลงตาท่านเทศแล้วร้องไห้ไหมการเทศนั้นท่านท่านซราบซึ้งใจในธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านท่านได้พบได้เห็นได้รู้ทำให้ท่านหายโง่อกโอ้โง่ามาตั้งนานเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนให้ปฏิบัติจะไม่มีวันรู้ได้เลย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 แต่ว่าตอนนั้นท่านก็เป็นเหมือนเล่นเล่ น, ล, นลิเกให้เราดูก็รให้มันเต็มบทบาทกันเลย <c oughs> คําถามจากคุณโมนีเวลาเราป่วยใกล้จะตายแล้วเราสามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองไหมคะว่าจะต้องตายแน่ๆแล้วรู้ได้แต่เพียงแต่ว่าเราจะไม่มีสติสตังนั่นสิเพราะความกลัวความทุกข์มันทําให้เรา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 เพื่อสุดท้ายเพสุดท้ายแล้วมันก็จบคำถามจากคุณอาร์ตขณะนั่งสมาธิจะทาอย่างไรไม่ให้ใจไปคิดเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้อ่านจากหนังสือธรรมะก็ต้องฝึกสติมากๆถ้าเราไม่มีสติใจมันก็ยังจะคิดไปเรื่อร้อยแปดพันประการนั้นการนั่งสมาธิจะให้ได้ผลต้องฝึกสติให้ได้ก่อน ต้องควบคุมความคิดให้ได้ก่อนถ้ายังควบคุมความคิดไม่ได้พอมานั่งมันก็จะคิดไปเรื่อยๆอาจจะอยู่กับพุโทโธได้สองสามคงก็ไปละดูลมได้สองสามครั้งก็ไปคิดละถ้านั่งแบบนี้นั่งไปจนลตายก็ไม่มีวันที่จะสงบงนั้นก่อนที่จะมานั่งต้องฝึกควบคุมความคิดไว้ก่อนเช่นให้พุโทโธไปทั้งวันอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เพาะให้อยู่กับพุโทโธไป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 ฝันแบบ ม, มีมีร่างทิพย์มีกายทิพย์เข้ามาก็ได้แล้วแต่บางทีคนตายอาจจะมาเข้าฝันเราก็ได้มาบอกว่าซ่อนเงินไว้ที่ตรงไหน <c oughs> พอเราไปดูเออจริงเดี่ยะมีแสดงว่าไม่ใช่เป็นความคิดของเราแล้วเป็นความจริงแต่ถ้าเป็นความคิดของเราไปดูไม่มีแสดงว่าอ๋อฝันไปคิดไปเอง <c oughs> ถ้าเป็นของจริงมันจะมันจะพิสูจน์ได้ถ้ามันเป็นความคิดของเรามันก็จะไม่สามารถที่จะไปเห็นตามที่ที่เราคิดได้คำถามจากคุณปราณีการถวายผ้านิ้สีธนะมีอนนีิสงอย่างไรและมีความหมายทางทพุทธศาสมาเช่นไรคะไม่รู้เป็นผ้าอะไรไม่รู้จะไม่ผ้านั่งผ้าปูานั่งก็บรรู้สึกจะเป็นผ้าปูนั่ง คือตามพระวินัยนี้พระจะนั่งกับพื้นเปล่าๆไม่ได้เพราะจะทำให้จีวรสกปรกก็เลยต้องมีผ้าปูนั่งกันสปกปรกอือนันสงสัยแล้นะค ะ, ย ะ, คะอย่างบุญกติเนี่ย่ะในถวายผ้ากับถวายบริวารกติ๋นี่บุญจะต่างกันไม่ใช่บาทีเห็นกองผ้ามันเยอะมากหลบไปซื้อเป็นบริวารไปใช่คือ การจะให้ของคนก็ต้องดูว่าเ้าขาดอะไรไปให้ของที่เขามีแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับเขาไปหาเฉพาะกรถินเจ้าขานั่นแหละก็เหมือนกันแหละคำยิงกระถินเนี่ยถ้าพูดถวายในในงานมันแค่เป็นผืนเดียวไปตัดได้สบองผืนเดียวนั่นเองอแต่ผ้าจีวรผ้าสังกตินี่มันไม่ได้เขาถึงมีผ้าบริวารตามมาแล้วพังสายวัดป่านี่เราจะนิยมตัดผ้าของเราเอง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 บทจีดีกุติวิหารอะไรต่างๆส่วนของก็ถวายพอหอมปากหอมคอเพราะรู้ว่าเดี๋ยวนี้เรื่องปัจจัยสี่ของพระนี่มันมีเหลือเฟือแต่สิ่งที่ขาดแคงก็คือเดี๋ยวนี้เราอยู่ในยุคที่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้น้ำประปาต้อง ม, อปปมีอะไรจิตปาระมีรายจ่ายเยอะก็ต้องมีเงินทองแทนอันนี้ก็ถวายให้เป็นสมบัติของวัดไป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 ไม่ควรหรอกถ้ทาทำบุญอย่างนี้เราควรไม่ควรนะพระไม่ควรบอกบุญหรอกพระพุทธเจ้าบอกว่าจะขออะไรจากใครนี่ต้องเขาเ ข, ขาเสนอตัวก่อนหรือเป็นญาติพี่น้องแล้วต้องขอในสิ่งที่ขาดแคลนเช่นจีวรยารัารกษาโรคเนอยๆานี้แต่ถ้าจะมาบอกบุญว่าไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์นี่ก็ไม่รู้ว่าไปสร้างจริงหรือเปล่า ดีไม่ดีก็เป็นวิธีหลอกเอาเงินไปใช้โดยที่ญาติโยมไม่รู้ก็ <S <S เห็นว่าเป็นผ้าเหลืองก็เชื่อศรัทธาเาะฉั้ไม่ควรที่จะให้เงินทองกับพระที่เราไม่ได้เสนอตัวหรือไม่ได้เป็นญาติกับเราแล้วก็ต้องให้ด้วยเหตุด้วยผลว่าก็ต้องการเราไปซื้ออะไรถ้าซื้อของขาดแคลนที่ปัจจัยสี่ก็เอาไปแต่ถ้าจะไปก่อไปสร้างนี่ไม่ใช่หน้าที่ของพระ เป็นเรื่องของญาติโยมญาติโยมควรที่จะไปคุยกับเจ้าอาวาสแล้วก็จัดการเองไม่ใช่ปล่อยให้ลูกวัดลูกใดลูกหนึ่งมาเรียดรายขอเงินขอทองอะไรกานนี้ไม่ควรถ้าเราอยากจะสร้างกุฏิก็ไปคุยกับเจ้าอาวาสเลยว่าจะขอสรอยสร้างกุฏิพระไม่ควรที่จะไปเรียดรายขอเงินขอทองเพราะว่ามันไม่สวยงามเป็นพระนี่ไม่ให้มาทาตัวเป็นขอทาน ไห้มาปฏิบัติธรรมให้มาหาธรรมกันไม่ให้มาหาเงินกันเล่นเฟซก็ไม่ควรไม่ควรไม่ควรเล่นเฟซไม่ควรดูหนังเสื้อพิมพ์ไม่ควรฟังข่าวไม่ควรอะไรทั้งนั้นสมัยที่อยู่บ้านตาสมัยนั้นมันไม่มีพวกนี้แต่มีโทรศัพท์ท่านก็ห้ามไม่ให้มีโทรศัพท์ไฟฟ้าก็ไม่ให้มีหนังเสื้อพิมพ์ก็ไม่ให้ดูวิทยุก็ไม่ให้ฟังทีวีก็ไม่ดูทีวีท่านก็เรียกว่าเทวทัศน์ อันนี้พวกทำลายศาสนาทั้งนั้นเพราะถ้าดูพวกนี้เนอะใจมันก็ฟุง้งใจมันก็จะพุทโธไม่ได้มันไม่พุทโธกันแล้วมันฟุง้งเนี่เดี๋ยวมันก็เกิดกิเลสเกิดตัณหาแล้วเดี๋ยวก็ไปทำผิดพระวินัยกันนั่นถึงห้ามไปอยู่ที่นั่นให้ภาวนาอย่างเดียวให้พุทโธอย่างเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิไปใจสงบแล้วมีความสุขยิ่งกว่าเล่นเฟซอีก <laughs> ที่มันเล่นกันเพราะมันไม่มีความสุขกัน มันหงุดหงิดมันอิดอัดมันเศร้าซ้อยง้อยเหงาว้าเวพอดูหน่อยเออดีใจหวัวล็อกกึ๊กกักกกกไปชั่วข่าวแคงนั้นเองแต่ไม่หายไม่หายขาดเดี๋ยวก็ต้องดูอยู่เรื่อยๆกลายเป็นยาเสพติดไปตอนไหนไม่ได้เสพทีห่ห ง, งุดหงิดขึ้นมาเนี่ยถ้าอยากจะหาความสุขที่แท้จริงต้องเข้าข้างในอย่างเดียวต้องพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิทําใจให้สงบอันนี้เราหาได้ตลอดเวลาไม่ต้องขออะไรจากใคร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 สิงที่ก็มีแล้วก็ไม่ต้องใหอย่างหลวงตาเนี่ยมีคนถวายเงินให้วัดมากท่านที่วัดท่านพอแล้วท่านก็ไปให้ที่อื่นต่ออไปให้โรงพยาบาลไปซื้อเครื่องมือแพทย์ซื้อรถพยาบาลอะไรต่างๆเพราะวัดมันพอแล้วถ้ามันมีมากมันก็แทนที่จะเป็นคุณกับเป็นโทษกลายเป็นวัดหรูหราไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรศาลาไม่อย่างนี้กับศาลาหรูหรามันก็ศาลาเหมือนกันใ ช, ใช่ไหม มันก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกันส่วนเงินไปทําประโยชน์ให้กับผู้ที่เขาเดือดร้อนดีกว่าหลว ง, งตาท่านมีงชอบใช้คําพูดประสงเคราะ์โลกแล้วพอบ้านเมืองมีปัญหาเรื่องเงินทองก็มาสงเคราะห์เบือง บ, บ้านเมืองมาพูดก็เรียกมาทำผ้า ป, ป่าช่วยชาติกันอันนี้ท่านก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวท่านเองท่านเห็นว่าบ้านเมืองตอนนั้นวุ่นจะเดือดร้อนมากท่านพวกเราไม่มาช่วยกันพอพวกเรามาช่วยกันทําบุญช่วยกันบริจาก สภาพทุกอย่างมันก็ดีขึ้นจนทุกอย่างก็หายปัญหานี่ศีลต่างๆก็หายไปหมดฉะนั้น mm hmm. ของพระเราต้องการเพียงปัจจัยสีเท่านั้น่ะ mm hmm. จีวรก็มีเหลือเฟือแล้วอาหารก็บินตบาททุกวันอยู่แล้ว mm hmm. กุฏิก็มีแล้ว mm hmm. ยาก็มีเวลาไม่สบาย mm hmm. ก็ไม่ต้องมีอะไรแล้วว่าจริงๆนี้ต้องการความสงบมากกว่าต้องการความเงียบความสงบ ไม่ต้องการสิ่งปลูกสร้างเพราะยิ่งสร้างก็ยิ่งวุ่นวายอย่างในหลวงเคยขอสร้างโบสถ์ให้กับวัดป่ามนตัดหลวงตาบอกว่าท่านอยากจะสร้างพระท่านไม่อยากจะสร้างโบสถ์ว่าโบสถ์สร้างมาแล้วก็กลายเป็นทาระให้พระท่านมามาเฝ้ากลายเป็นที่อยู่ของหมาของของนกพิราไปพ่าโบสถ์วัดป่าก็ไม่มีพิธีกรรมอต้องทำสร้างไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรท่านถึงไม่สร้าง กุฏิของท่านเมื่อก่อนนี่เสียกินกายก็จะไปขอสร้างขอต้องแปดเก้าครั้งกนะ็ท่านหลวงตาบอกพอแล้วเล้วขอได้แล้วนะไม่ให้สร้างท่านก็อยู่แบบสัมมาทิฏฐิเรียกง่ายอยู่พออยู่ได้ก็เอาละแต่ก็เห็นครูบาอาจารย์อยากจะกราบบูชาพระคุณอยากจะสร้างกุฏิสวยๆใหญ่ๆสบายๆสบายท่านอยู่แต่ท่านไม่รู้วิธีอยู่ของพระ า, าท่านอยู่แบบนั้นกินเละกินตายหมด ต้องอยู่แบบกิเลสไม่กินต้องอยู่แบบอดอดอยากยากอยู่แบบ อ, อยู่แบบเรียบง่ายอะไรทํานองนี้มันกิเลสมันถึงจะตายกันพระอาจารย์นะตรงนี้แหละเยออยากจะถามพนันนะไอ้ตรงนี้คือฟังวันนั้นฟังไม่ค่อยชัดนะที่ดวงตาถามถามพระอาจารย์นะว่า ท่านเสร็จกี่แล้วยัง่าไม่ตอบใช่ไหมคะจนครั้งที่สามหลวงตาบอกว่าไม่ตอบก็ไม่กลับยังนะแล้วหลวงตาก็เทศต่อเรื่องมหาแบบพระาจารย์อ่ะได้อยู่มหาวิทยาลัยป่าแต่หลวงตาก็เปลี่ยนชื่อว่าหลวงตาเนี่ยอยู่กับ มามหาไปเลยบ้านอะไรอย่างงี้ทีนี้บางทีม be Although, lie, ันอ <laughs> so, ัดมามันไม่ค่อยชัดนะคะพดีลุงเล็กอ่ะลุงเล็กสนงมาให้มันค่อยเลยค่ะอมันผ่านไปแล้วอย่าพูดถึงมันเลยก็ถูกต้องใช่ไหมคะก็เลยกก็ใครใครเขาก็ถามบอกเขาเห็นเขาเห็นหนูออยู่กับหลวงตไปไหนก็เลยบอกเนี่ยจะมาจะมาวัดพระวัดยาเนี่ย เขาออกไปทําไมก็เลยเล่าก็ฟังอเขาก็งงๆอ่ะมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพูดเล่าฟังบกได้ยินเนี่ยหลวงตาถามท่านสามคอย่างเงี้ยอแล้วจะแปลความหมายล่าไงก็เป็นเรื่องเราของเรากับหลวงตาเราแล้วกันคือลูกศิษย์ที่สน็จหน่อยเขาก็อยากจะเลือกพระใช่ไหมคะแต่พระอาจารย์สุใจพูดอยู่คํานึงว่าพระอาจารย์เทศจากความจริง ไม่ใช่จากความจําระอาจะสุดใจก็พอแล้วไงะคันนี้ก็ใช้มาแล้อยู่ก็พูดอย่างนี้พูดจริงก <eterm Gore> ็พูดจํานะก็คือประเทศจากความจริงก็คือพระอรหันต์นะคะพูดภาษาง่ายๆก็อย่าอย่าไปพูดพูดคำนั้นแล้มันสะแลงหูสะแลงหูสะแลงใจคนก็คนที่ก็ไม่เชื่อแล้วก็จะฟังแล้วก็จะหม่นไส้เอาอธิบายัหม มันไม่ดีละมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษเราเรารู้ของเราในใจของเราก็พอแล้วคนหนึ่งเขาจะรู้ไม่รู้ก็เรื่องของเขาบางอย่างมึงก็จะถามพระอาจารย์นะครั้งที่หลวงตาเทศสมัยก่อนใช่ไหมครัว่าเอาแล้วให้พระให้หลวงพ่อปัญญาเนี่ยแป่ตอนที่นี้หลวงพ่อปัญญาฟังภาษาไทยชัดเจนใช่ก็เข้าใจแบบห้าสิบห้าสิบก็สรุปได้เข้าๆหลวงตาเทศ ส5นาทีท่านก็สรุปประมาณ10นาทีเราก็เลยมาเอาเอาเทปเอาเทปที่ท่านอัดเสียงมามาแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ภาคหลังเขาไปฟังอีกทีก็คือมีพระอาจารย์เนี่ยช่วยช่วยแปลให้ทีแต่เราอยู่เราอยู่เบื้องหลังท่านพระอาจารย์บัญญาท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านก็อยู่เบื้องหน้าเราก็ทําแบบนอกนอกทำแบบภาษาของเราเราก็ไปขอเทปที่ท่านอัดมา แล้วเราก็เปิดฟังแล้วเราก็พูดเป็นภาษาอังกฤษใส่ไปเทปหนึ่งเสร็จ แ, แล้วก็ไปให้ภาคฝรั่งเขาฟังกันคเขาจะได้เข้าใจว่าที่หลวงตาเทศน์นมันมีรายละเอียดมากมายท่าไรต อ, อนนี้ก็ยังมีคนฟังอยู่ยั ง, ยงเทศยังเป็นแผ่นซีดียังใส่ไปในอินเทอร์เน็ตคนก็ยังไปเปิดฟังได้อยู่เป็นภาษาอังกฤษชาวต่างประเทศที่เขามาศึกษาบางคนเขาก็ชอบเขาพอฟังเทศหลวงตาแล้วนึกซึ้งมาก ได้รับประโยชน์มากไม่ก่อนไปวัดหลวงตาท่ไม่ค่อยรู้จักพระเลใช่ครับเพราะว่าหลวงตาท่านไม่ต้องการให้พระมายุ่งท่านต้องการให้ไปพอนะก็เลยไม่มีพระจะเข้ามากล้าออกมาออกหน้าออตาเหมือนที่อื่นครับพวกถามว่าเจ๊ไปวัดหลวตาแบบเจ๊เคยเจอพระอาจารย์ชาติไหมบอกพระพระแบบไม่เคยเราไม่เคยเห็นหน้าพระหรอกมีน้ที่ใส่บาตใส่บแล้วก็ถวายต่าง ตาก็จะรับประเคนเองใชใช่แล้วก็แล้วก็ลงจากสาราไปก็จะลขึ้นมาทานข้าวก็พาหานุ่แล้วไปยังก็เลยไม่ได้ได้หรอพระมาคุยกับญาติโยมไม่ได้เสียเสียมารยาทที่วันนั้นเขาไม่ไม่ได้ยมทำกันเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์กับญาติโยมนี่ครูบาอาจารย์รูปเดียวกันผู้รับแขกรับคนพระนี่มาศึกษามาล่ำเร่นไม่ใช่มารับแขกรับคน และการไปทํารับแขกลับคนเดียวก็โอนท่านต่เพื่ไปไม่ได้มาปฏิบัติตัอย่างพรอาจารย์อินเแต่ว่าช่วงจ ะ, ะ่าเกษียที่บ้านตะก่อนขายพวกเครื่องเย็บปักตัดร้อยใช่มหมชั้นไก่อะไรเงี้ยที่น้าเที่ยงอยู่หน้าวัดเขาที่เขป็นคนซื้อของไม่ว<ๆ>ัดก็จะมาซื้อกับเราเราก็รู้ว่าเขาอยู่วัดตั้งแต่เราก็จะคือเราไม่ขายแต่เราจะทำเงนินก็จะให้ตลอดจนกระทั่งพระอาจารย์อินบอกว่าไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็เหมือนว่าเราไปขอ ก็ไม่มาซื้อเรากันไกรซิงเกอร์อะไรก็จะหาไม่ได้ผู้ชยายก็ต้องกลับมาหาเราอาเราก็ถามบอกเอ้าพี่แล้วไปไหนเขาบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าไม่ให้มาซื้อบอกเอ้าทําไมเขาบอกเ<จ>ื้อเขาไมเอาเงินเก่งใจคือท่าพระอาจารย์นินมาที่บ้านเราก็ไม่รู้ว่าพระองค์นี้เป็นวัดป่าเราเลยถามท่านมาท่านอยู่วัดไหนท่านบอกว่าแล้วเราไปวัดไหนเราบอกเราก็ไล่ให้ฟังท่านก็เลยบอกท่านอยู่วัดต่าเพอเราก็ไม่เคยเห็นหน้าท่านเลย รูแต่ว่าเราเห็นแต่ดวงตาองค์เดียวใช่ท่านเป็นพระเทระที่ใกล้ชิดกับลวงตาที่สุดสมัยที่เราอยู่นะะเพราะท่านชำนาญปลงผมให้หดวงตาทําอะไรให้หดวงตาได้เราก็ไม่เคยเห็นหน้าพี่ชายจะเป็นพี่ชายหนึ่งเขาจะพาท่านอธิบดีกรมมน์จันทรสำนุนที่ที่เวลานเขาจะไปนอนหน้ากลดลวงตาน่ะเพราะนั่นแหละก็ก็ เราก็จะรู้แค่นี้เองว่าหลวงตนเอานะใช่ครับนี่หลวงตาก็เป็นเมตตาคนถ้าไม่ไปอยู่ที่วัดจะไม่รู้จักพระเนี่ว้าถ้าไปอยู่ที่วัดบางทีหลวงตาจะใช้ให้พระไปทําอะไรให้นะฮะเขาก็จะเห็นตอนนั้นก็จะไม่ไม่รู้จักพระแล้วบางอย่างเรานี่เราไม่ไม่ไม่ยุ่งเลยเราชันเสร็จเราก็กลับกุฏิของเราเราชอบไปภาวนามากกว่า ก็เลยไม่มีใครรู้จักครับถ้าหลวงตาไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นพาวัตต่าเหมือเพราะเราก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวโกจะหาว่ามาโฆษณาตัวอย่างนีก็เลยมาอยู่อยู่บนเขาเงียบๆไปบุญนะคะอาจารย์หลวงรู้จักไหมครับเพราะว่าารกๆเพลยค่ะแรกๆเลยก็ไปไปไปไปดูดอกหลวงปูเขาวแต่หลวงตานี่จะมาปะปลายเพราะว่าใจใจคิดหนักว่าหลวงปูเขาวอายุมากแล้ว ดูแลหลวงปู่ขาวก่อนใช่หลวงปู่ขาวรักสังขารมันนั้นเราก็ปักลงหลวงตาเลยหลืหลวงตาท่านต้องยานท่านอย่างรัวเนาะใช่ท่านี้็นหาวันแรกที่เราไปทําบุญมันเกิดกันดีท่านไปยิ้งให้แล้วก็ให้พรอะไรอย่างงี้ยนะเออแลคุณเราก็รูปของเราเนี่ยว่ามันนี่พิเศษของเราอะไรอย่างเงี้ยตาเมตตาเมตตาท่านรับเราเป็นลูกศิษย์แล้วก็จะมาหลวงตาแบบ สมัยก่อนหลวงตาจะไม่ค่อยอยากจะให้ญาติโยมไปหาท่านท่านอยากจะให้ไปกับกูบาอาจารย์ที่อื่นก่อนเวลาใครไปว่าท่านท่านจะดุดูแล้วเขาจะกลัวแล้วก็จะไม่กล้าเข้ากันเพราะท่านต้องการจะสอนพระในยุคนั้นเพราะถ้าญาติโยมเข้าไปเยอะงานเยอะพระจะไม่มีเวลาปฏิบัติแต่พอกูบาอาจารย์ที่ผู้ใหญ่กว่าตายไปหมดนี้ท่านก็เลยเปิดประตูแล้วนี้เข้าไปกันเป็น ผูงเลยนีตามากมากเลยค่ะใช่ตอนนั้นก็พระก็จะต้องวุ่นวายไปกับหลวงตาแล้วต้องคอยดูแลต้องข้าวของเยอะอะไรเยอะไปหมดเก็เลยพระก็เลยจะไม่ค่อยได้ภาวนาก็ยังได้ภาวนาอยู่แต่จะเวลาต้องแบกมาช่วยงานข้างนอกก็ก็พอสมควรแก้วันละอ้าว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 ส่วนผลมันก็เกิดไปตามเหตุที่เราทำมาเราจะจำได้ไปเาเป็นคนรื่ี้มาเราจำผลนี้เราจำเรื่นี้นนนาหรับบางคนถ้ามีมี ม, มีความจําจําดีๆก็จำได้ดะระลึกชาติได้เช<ใ>นพระจิตที่ยากไม่มีร่างกายอ่าเนี่ยแหละในดวงจิตมันมีมันทุกอย่างมันซ้ำอยู่ในจิตเนี่ยร่างกายเป็นเพียงแต่เป็นปัมวานเป็นเป็นตัวรับข้อมูลส่งมาให้กับจิตอีกทีหนึ่ง แต่ทุกอย่างที่จิตทํำนี่มันถูกฝังอยู่ในจิตหมดแลถึงแต่เราจะลึกนึกถึงมันได้เปล่าเพราะว่านนี้ทําอะไรมามั่งเนี่ยถ้าความจําดีอะ่ะจำเลกได้อ๋อเมื่อวานนี้ไปทํำนู่นทํานีา่กินข้าวที่นู่นกินข้าวที่นี่ถ้าความจําไม่ดีจําไม่ได้ล่ะแต่ถ้าจิตสงบแล้วมันจะจําไดเ้เวลาคนเราลึกชาติได้เนี่ยก็จะต้องทําจิตให้สงบก่อนพอจิตสงบแล้วก็เริ่มย้อนกลับไปย้อนไล่กลับไปได้นั่นก็คืออยู่ในภาวะของจิต ตอนที่เป็นดวงวิญญาณตรงนั้นจะมีความบริสุทธิ์ของจิตขนาดไหนเคือเวลาที่จิตเป็นอยู่มันไม่มีร่างกายเนี่ยมันจะไปรับวิบากได้มากกว่ารับผลอย่างไรอรับผลอย่างเดียวมันจะมามีกําลังที่จะมาคิดอะไรได้ก็ตอนที่มีร่างกายนะมีสติที่จะควบคุมใจมันได้แนละ้วเอาแค่นี้ก่อนนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา